เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในปกติของใจนี่มันกลับกรอบมันพลิกไปพลิกมามันไม่อยู่กับที่นี่ดังนั้นเราจึงต้องได้ฝึกกัน ให้เข้าใจความหมายของการของการทำสมาธิภาวนาจิตใจที่มันพลิกไปพลิกมาไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจดวงใดมันตั้งมั่นอยู่ได้ ไม่ค่อยวอกแวกจิตใจดวงนั้นก็มีความสุขนั่นอาจจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจตั้งมั่นต่อกุศลขุนงามความดีต่างๆโดยลำพัง ยิดนี่ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยมันก็กิเลสมันก็พาให้เลื่อนลอยไปยึดนุ่นถือนี้สำคัญอันนั้นว่าเป็นของเราสำคัญรอย่างนี้เป็นของเขามันก็ไปสำคัญกันอย่างนั้นเนี่ย สิตที่ไม่รู้แจ้งอันสิ่งที่มันไปสําคัญอยู่นั้นมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนทั้งนั้นเลยแต่มันก็ยังไปหวงแหนยังไปผูกพันมันถึงได้เป็นทุกข์เมื่อของสิ่งนั้นมันวิบัติแปลโปรนไป จิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดต้อนก็อย่างนี้แนะความจริงนะมันมีอย่างนี้แนะเพราะฉะนั้นให้พึงพากันเพ่งพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นไม่อย่างนั้นแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เราจะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่นี่กี่พบกี่ชาติ มันก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปไม่ได้เพราะว่าจิตไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้กรรมมันก็เลยตกแต่งให้ถงกับคำที่ว่าสัพเพสัตากรมตรการนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เมื่อทนทำสิ่งใดลงไปแล้วมันก็เป็นกรรมกรรมนั่นแหละติดตามนำดวงจิตที่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตนี่แหละไปยึดถือเอาการกระทาคำที่พูดเรื่องที่คิดต่างๆนั่นไว้นึ่งมานะ่ะ วันนีเมื่อบุคคลมาอบรมจิตนี้ให้สงบระงับลงไปเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญากลับไปสอนจิตไม่ให้ยึดปั้นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในทั้งภายนอกก็สักแต่ว่าอาศัยมันอยู่เฉยๆแต่ไม่ยึดถือ นี่เป็นปฏิบัตธของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นท่านผู้รู้แจ้งในนามในรูปหรือในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือมั่นโดยอุปาทานแล้วย่อมมีจิตห่องใสไม่มีทุกข์ไม่มีร้อน ทันอุปมาไว้เหมือนน้ำกับใบบัวใบบัวก็อาศัยอยู่ที่น้ำแต่น้ำไม่ได้ซึมซาบเข้าถูกใบบัวฉันใดจิตของพระอริยะบุคคลทั้งหลายก็เป็นฉันนั่นแหละคือว่า อารมณ์ต่างๆไม่ได้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้เพราะว่าใจของท่านไม่ยึดไม่ถือเอาทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางเรียกว่าไม่ยึดถือเอาไว้โดยความยินดีโดยความยินร้ายนี่นะท่านเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้ว ก็แสดงว่าไม่ยึดถือถ้ายังยินดีรายโยก็ได้ชื่อว่ายึดถือนี่ให้เข้าใจไม่มีใครจะชี้อบอกใครต่อใครได้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่จะพึงรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าตนเองยึดถือสิ่งใดไว้ เพ่อนทุกคนย่อมรู้ตัวได้นั่นแหละเมื่อรู้ตัวว่าตนยังยึดถืออะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยก็จะต้องได้เจริญปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปไม่ให้มันยินดียินร้ายกับสภว า, ธาธสภวาธรรมต่างๆในโลกนี้ในปรมตถธรรม พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นแต่เพียงสัมผวสธาตุเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรคำว่าตัวว่าตนนั่นก็สมมุติกันเฉยๆสมมุติว่าเอาเฉยๆแต่ถ้าเพ่งถึงความจริงแล้ว มันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่อาอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ดีกทำมาแต่ก่อนโน่น่ะมันติดตามมาอุปถัมภ์บำรุงไว้มันยังไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนรูปร่างอันนี้ก็จึงค่อยตั้งอยู่ได้อประกอบกับข้าวน้ำ อาหารต่างๆรอเลี้ยงไว้ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าบุญเก่ากรรมเก่ามันใกล้จะหมดลงอย่างนี้นะมันบอกแสดงบอกให้เห็นแล้วให้รู้แล้วว่าอาหารการบริโภคอนไรที่เคยรับประทานมาอริตอร่อยแต่ก่อนเนาะ น, นะทันเมื่อบุญกรรมมันมัน ลอยหล่อลงไปแล้วรับประทานอาหารอะไรที่เคยมีรสมาแต่ก่อนก็ไม่มีรสมีก็มี น, นิดหน่อยๆไปอย่างนั้นเนี่นั่นแหละบุญกุศลมันใกล้จะหมดลงแล้วอืบุญเก่ากรรมเก่ามันใกล้จะหมดลงแล้วควรตื่นตัวกันเตรียมตัวไปให้เต็มที่อืม เพราะว่ามันบอกแล้วว่าจากไม่ได้อยู่อาศัยรูปกายอันนี้ไปได้นมนานอะไรไม่นานก็จะต้องจากกันแล้วระหว่างกายระหว่างกายกับจิตแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่ได้คิดไม่ได้วิจาร์เลย จนชำรุดสุดโทรมลงไปก็มีแต่บ่นเพ้อไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้มีอุบายเยยบคายสอนใจให้ปรงให้วางรูปกายอันนี้ลงเพราะไม่มีปัญญาไม่ได้อบรมจิตใจให้ส ง, งบปัญญาจึงไม่มี บุคคลผู้ที่คิดได้ผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัตาสงสารอนเนีย่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญจิตตะภาวนามาแต่ชาติก่อนนูน่นเคยได้ภาวนาเคยได้นั่งสมาธิเคยได้ใช้ปัญญาพิจารณาสังขารนรน่างกายเป็นอารมณ์มาอยู่ แต่ว่าในชาตินั้นอ่ะอินทรียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็จึงหลุดพ้นไปไม่ได้ก่อนก็ต้องมาเกิดอีกเกิดมาแล้วบุญเก่านั้นแหละก็จะมาโดนบันดาลให้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รู้สึกตัวได้รู้สึกตัวตื่นตัวว่าตนนั้น ในมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอไม้เอาดวงขีดดวงนี้แหละมันมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี้มันตื่นตัวได้เมื่อตื่นตัวแล้วมันก็ดำริในใจทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากของไม่เที่ยงนี้อืสถานที่เที่ยงยั่งยืน ที่ไม่ต้องแปลผันเป็นอย่างอื่นไปนั่นมีหรือไม่นอนี่มันก็ต้องดำริในใจอย่างนี้คนมีบุญคนมีปัญญาเมื่อนึกได้อย่างนั้นพิจารณาไปก็รู้ก็เห็นได้ว่าบุคคลที่จะต้องเที่ยวมาเกิดมา ตายอยู่ในวัฏฏะรงสารอันนี้ก็เพราะไม่ละตัณหาความอยากหรือว่าละยังไม่หมดละได้เป็นบางส่วนแต่บางส่วนยังอยตัณหาที่มันจะพาให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั่นน่ะยังละไม่หมดละไม่ได้เพราะฉะนั้นตัณหาประเภทนี้แหละมันยึงพา ดวงกิจนี้ไปปฏิสนธิไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปก็ต้องรู้อย่างนี้แหละก็เมื่อตัณหามันพาไปเกิดอย่างนี้ก็จะได้เบื่อหน่ายตัณหาบบบนี้เบื่อหนายต่อความอยากความพอใจ ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ความพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเมื่อเมื่อพิจารณาถึงปรมาธรรมทำอันละเอียดสุขขุมแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทาง จ, จิตใจ แต่คนธรรมดาสามัญจะถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าเห็นรูปสวยๆยงางามแล้วเกิดความรักใคร่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจเพราะมันมันเห็นอย่างนั้นแหละมันจึงดิ้นรนแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆ ตรงกันข้ามกับท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่ารูปเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ไม่ควรที่จะมายินดียินร้ายกับของไม่เที่ยงอย่างนี้พอเมื่อมายินดีกับของไม่เที่ยงอยู่เช่นร่างกายอันนี้แหละ เมื่อเวลาบุญกุศลหนหลังนนยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่รูปร่างอันนี้กรดู้มันสดใสเปล่งปังอ้วนทวนสมบูรณ์ดูแต่คันเมื่อบุญเก่านั้นมันน้อยลงไปแล้วว่านี้รูปนี่มันก็วิบัติแปรปวนไปเบงนันมันจะตั้งอยู่ตามปกติไม่ได้เลย นั่นะจิตใจก็เดือดร้อนวุ่นวายกันแล้ววะนี้อก็เจ็บไข้ได้ป่วยลงไปโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนคนใข้จะหมดบุญน่ะเป็นอย่างนั้นนะ่าแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ไม่ตื่นตัวก็มีแต่แสดงความโศกเศร้าเสียใจสะดุ้งว่ากลัวต่อความตายไปอย่างนั้นแหละ คนไม่ได้ภาวนาไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็ไม่รู้จักเบื่อหน่ายในของที่ควรเบื่อหน่ายของที่ควรเบื่อหน่ายก็กลับไปยินดีพอใจอย่างนี้เนี่ยนะพ่ไม่สมควรแก่ชาพุทธชาพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดคำว่าพุทธนั่นนะ นั่นเน่ยก็เมื่อได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งเที่ยงลึกแล้วเราก็เรียกกันว่าชาวพุทธอหรือเรียกว่าพุทธบริษัทแปลว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าอเป็นผู้พยายามดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้า นี่ให้พึงเข้าใจชื่อที่เพื่อนตั้งให้อพระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นโทษเห็นภัยในวระสาทสงสารเห็นโทษเห็งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์แล้วจึงทรงดํำริว่าทางใดหนอเป็นทาง ออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ประสงดําลีไปก็รู้ก็เห็นรู้ทางก็าทางการออกบวดเท่านั้นแหละจึงจะมีโอกาสได้ละความยึดความถือในของไม่เที่ยงเหล่านี้จึงจะมีโอกาสได้ละตัณหาความทยานอยาง ต่างๆในโลกนี้ได้พาะเมื่อไปทำตนเป็นคนผู้เดียวแล้วมันก็มีโอกาสได้สำรวมจิตใจได้เต็มที่เลยไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังอะไรเมื่อพระ อ, องค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้สเสด็จหนีออกบวชเมื่อบวชมาแล้ว พระ อ, องค์ก็เป็นผู้ไม่ประมาทและตั้งใจทำความเพียรแสวงหาทางตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณไปโดยลำดับทีแรกก็ไปศึกษาในสำนักของพลูสีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นที่ท่านเรียกว่าอาราธดาบท กาลามะโคตพระฤาษีสองพระ อ, องค์นี่องค์ที่หนึ่งได้บรรลุรูปฌปานแล้วก็อรูปฌานสามขั้นองค์ที่สองได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสีหรวมเรียกว่า อัฏฐสมาบัติแปดประการท่านเหล่านั้นได้สอนวิธีบำเพ็ญฌานให้พระมาหาบุรุษเจ้าพระมาหาบุรุษจำออบายได้แล้วส่งบำเพ็ญไปไม่นานก็ได้บรรลุอัฏฐสมาบัติแปดนั้นเมื่อมาพิจารณาดูแล้ว ก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่หนทางตัดรู้ก่อนก็จึงได้ไปถามอาจารย์ว่าความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่บ้างไหมอาจารย์ก็บอกให้ทราบว่ามีเท่านี้เองความรู้อื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทำไปไม่ถึง เม่อพระ อ, องค์พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นทางตัศรุแล้วก็จึงได้ล่ำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นไปแสวงหาทางตัศรุสำมาสัมโพธิญาณโดยลำพังพระ อ, องค์เองต่อแต่นั้นไม่ได้ไปเข้าไปหาครูใดอาจารย์ใดเลยอยู่ได้ถึงหกปีปีที่หกนี่ก็ จึงได้พบผลทางตรัสรู้ได้แก่ทางสายกลางที่เรียกว่ามักมีองค์แปดประการนั่นแหละท่นกล่าวว่าเป็นทางสายกลางพระองค์รู้ชัดว่าทางนี่แหละเป็นทางตัสรู้จริงๆแล้วก็จึงได้ละทุกข์ละกิริยาสาั่งการอด อาหารการไม่หลับไม่นอนตลอดเวลาหมนี่มันทำเป็นเรื่องทรมานร่างกายให้สุดโทมมากเกินไปไม่เป็นทางตัดรู้ได้พระ อ, องค์ก็จึงสเสด็จบินธบาตมาค่อยฉันทีละน้อยละน้อยเพื่อให้ธาต มันค่อยมีกําลังขึ้นถ้าไปฉันมากธาตุไฟมันอ่อนอยู่แล้วมันย้อยไม่ได้มันก็ทําพิษเอาดังนั้นพระองค์เจ้าก็จึงค่อยฉันอาหารทีละน้อยละน้อยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยละน้อยมากขึ้นไปเมื่อ ความลงร่างกายอันนี้ให้เป็นปกติแล้วนั่นแหละเดินหกเพนก็องค์ก็ประทับนั่งบนแท่นบรรลังที่อธิฐานเอาด้วยบุญญาบา ร, รมีของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์ก็อธิษฐานถ้าไม่ได้ตัดสรตว์สมมาสมโพธิญาณแล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลย เมื่อที่ฐานอย่างนี้แล้วก็ได้ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยบุญวัฒนาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแต่อเนกชาติก็ทำให้จิตของพระองค์สงบลงไปไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็เคยทำสมาธิมากับพริศีสององค์นั้นมาแล้ว ดังนั้นการทำใจให้สงบจึงไม่ลำบากการบาเพ็ญฌานก็ไม่ลำบากก็ได้บรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามไปถึงที่4ี่เมื่อได้บรรลุรูปฌานแล้วก็จเจริญอรูปฌานต่อจนได้บรรลุถึงอรูปฌานทั้งสี่ขั้น นั่นี่ก็ถอยกลับมาอยู่ในรูปฌปานเมื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปนี้ก็ได้ตัดสรปุปเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติผลหลังได้มากมายเหลือที่จะคานาเพาชาติก่อนนั้นพระองค์เป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นชาตินั้นเป็นมาอย่างนั้น มีความสุขมีความทุกข์อย่างนั้นมีความเจริญอย่างนั้นตลอดถึงบ้านเมืองสมัยนั้นน่ะมันมีความเป็นอยู่กันอย่างนั้นอย่างนั้นมีภาษาคำพูดกันอย่างนั้นนี่พระ อ, องค์ก็รู้แจ้งไปหมดเลยแล้วในตอนเที่ยงคืนบําเพ็ญไปก็ได้ตัสรูจูตูปปาตายาน คือรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำดีย่อมมีความสุขเป็นผลทำชั่วย่อมมีความทุกข์เป็นผลสุขทุกขไม่มีใครโดนบันดาลมาให้เกิดแก่บุคคลใดไม่มีสุขทุกขแต่ละคนนั้นเกิดจากการกระทําของตนเกิดจากผลแห่งการกระทําต่างหาก ทีท่านเดียวว่ากรมดีกคำชัว่วนั่นพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งอย่างนี้ความเป็นมาของพระ อ, องค์และความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วเมื่อตอนประชิมมยามยามสุดท้ายตอนจวนจะสว่างองค์ก็ได้ตัดสรู้อาสวัคคัยญาณทรง มีปัญญาปรีชารู้แจ้งชัดว่าอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไปแล้วจากพระไทยของพระ อ, องค์ด้วยการที่พระ อ, องค์มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมสิบสองประการโดยอนุโลมปฏิลมไปมาปฏิจจสมุปบาทนั่นเรียกว่าปัจจัยของชีวิต ได้แก <phin> ่อวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้บังเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพภพเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้บังเกิดชลาพยาธิมรณะโธกะปริเทวะทุกโทมณอุปายาตเป็นอ น, นว่าความทุกข์ทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้น โดยอาการดังกล่าวมานี้พระพุทธเจา้าทรงรู้เหตุแห่งทุกข์ปัจจัยแห่งชีวิตอันประกอบไปด้วยทุกนี้เริ่มต้นแต่อวิชชาความไม่รู้นี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญเนะี้เมื่อบุคคลมาภาวนาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นความไม่รู้ ก็ยอมระ ง, งับไปนี่แหละความรู้แจ้งก็บังเกิดขึ้นมาแทนรู้แจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังกล่าวมาแล้วนั้นไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเพราะองค์พิจารณาเหตุอย่างนี้แล้วก็พงวางขันหานี้ลงไปในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณในเดือนหกเพน พระจันทร์เต็มดวงทั้งนั้นน่ะนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้รู้แจ้งอริยรสัจจะทมทั้งสี่และบรรลุถึงถึงพระนิพพานเรียกว่าสอุปะสิเสสนิพพานหมายความว่าดับกิเลสโดยประการทั้งปวง ได้แล้วแต่หันทางห้านี่ยังอยู่เป็นอยงนั้นเมื่อพระ อ, องค์สงเคาะ์สัตว์โลกทั้งหลายไปโดยลำดับด้วยการแสดงธรรมด้วยการทำความดีต่างๆให้เห็นเป็นตัวอย่างไปโดยลำดับจนว่าพระชนมายุได้แปดสิบปี รวมที่พระ อ, องค์เจ้าทงเมตตาโปรดสัตว์โลกทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมอยู่ตามบ้านน้อยเมืองใหญ่มาโดยลำดับได้45ปีพอดีพระ อ, องค์ก็จึงได้ดับขันเข้าถูกนิพพานไปก็ประวัติความเป็นมาของพุติเจ้าโดยสังเขตจะเป็นมาอย่างนี้เลยเพราะนั้นเรา ที่เป็นชาพุทธเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ทราบว่าพระพุทธศาสนานี่ยมละกิเลสตัณหากันพุทธศาสนานี่ถือว่ากิเลสตัณหานี่อุปาทานเนี่ยพาให้ดวงกิจวิญญาณอันนี้นะไปเที่ยวเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้ชวยถูก สุขบ้างได้เสวยทุกบ้างตนเปกันไปอยู่อย่างนั้นผลสุดท้ายก็มันเป็นทุกนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้สมหวังความสุขก็เป็นสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนอะไรเลยสุขเจืออยู่ด้วยทุกข่าวเป็นสุขเป็นสุขไปเมื่อความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน นี่ความสุขในโลกอันนี้ถึงว่ามันไม่ยั่งยืนเมื่อบุคคลละความยึดถือละกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้วว่อนี่มันไม่มีกิเลสมันก็เรียกว่านิพพานแปลว่าดับไม่มีเชื้อเหลือเหตุปัจจัยที่จะนำดวงจิตนี่มาเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่มันมันไม่มีแล้ว เออเหตุ น, นั้นจิตนี้จึงไม่เคลื่อนไหวแบบนี้นะ่ะอยู่คงที่ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยอาศัยธรรมชาติคือนิพพานเองอืมไม่ได้อาศัยดินไม่ได้อาศัยน้ําไม่ได้อาศัยลมไม่อาไม่ได้อาศัยไฟไม่ได้อาศัยอากาศ ไม่ได้อาศัยดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงดาวไม่มีไม่ได้ดวงขีดไม่ได้อาศัยธรรมชาติเหล่านี้เลยอมันเป็นยงั้นเรียกว่าอาศัยตัวเองพูดง่ายอดวงขีดนั่นแหละเมื่อชําระกิเลสให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้อง ไปเที่ยวหาที่เกิดอีกใหม่ต่อไปพูดสั้นๆแล้วก็มีความสุขอยู่โดยลำพังตนเองมีความสุขไปตลอดอนันตการไม่แปรผันเป็นทุกข์เป็นยากอะไรต่อไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านิพพานัง p รม a งส n ูนยังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังแสดงมา